นวโกวาดธรรมวิภาคทุกกะคือหมวดสองธรรมะมีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปะชัญญะความรู้ตัวธรรมะเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่งฮิริความละอายแก่ใจ 2. โอตั ป, ปะความเกรงกลัวธรรมะอันทำให้งามสองอย่างหนึ่งขันติความอดทน 2. โสระจะความเสงี่ยมบุคคลหาได้ยากสองอย่าง 1. บุพการีบุคคลผู้ทาอุปการะกร่อนสอง กตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนติกะคือหมวดสามพระตนสามอย่างพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งหนึ่งท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติ ช, ชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินยัย ที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้า 2. พระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของท่านชื่อพระธรรม 3. หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อพระสงฆ์คุณของรัตนะสามอย่าง พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างหนึ่ง ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นสองทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจรองตามให้เห็นจริงได้สามทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ โอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างหนึ่งเว้นจากพุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจ 2. ประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทํทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้น ทุจริตสามอย่างหนึ่งประพฤติชั่วด้วยกายเรียกกายทุจริต 2. ประพฤติชั่วด้วยวาจาเรียกวจีทุจริตสประพฤติชั่วด้วยใจเรียกมโนโทุจริตกายทุจริตสามอย่างฆ่าสัตว์ลักช่อประพฤติผิดในกาม วจีทุจริตสี่อย่างพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมโนทุจริตสามอย่างโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจกคลองทรรมทุจริตสามอย่างนี้เป็นกิจไม่ควรทำควรละเสียสุจริตสามอย่าง 1. ประพฤติชอบด้วยกายเรียกกายสุจริต 2. ประพฤติชอบด้วยวาจาเรียกวจีสุจริต 3. ประพฤติชอบด้วยใจเรียกม โ, โนสุจริตกายสุจริตสอย่างเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามวาจีสุจริต4อย่างเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อมโนสุจริตสามอย่างไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทบองร้ายเขาเห็นชอบตามคลองธรรมสุจริตสามอย่างนี้เป็นกิจควรทำควรประพฤติอากุศลละมูลสามอย่างรากเงาของอากุศลเรียกอากุศลละมูลมีสามอย่าง คือโลภะอยากได้โทสะคิดประทุษร้ายเขาโมหะหลงไม่รู้จริงเมื่ออกุศลละมูลเหล่านี้มีอยู่แล้วอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียกุศลละมูลสามอย่างรากเงาของกุศล เรียกกุศลมูลมีสามอย่างคืออโลภไม่อยากได้อโโสะไม่คิดประทุษร้ายเขาอโมหะไม่หลงถ้ากุศลลมูลเหล่านี้มีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรให้เกิดมีในสันดาน สัปปริสัญญัติคือข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งไว้สามอย่าง 1. หนงานสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. ปปัปพ ช, ชาคือบวดเป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนกันและกัน 3. ม, มาตาปิดตุอุปัฏฐานปฏิบัติมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข ปัญกะปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างหนึ่งอินทรียสังวรสำรวมอินทรียหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องปวดตับพระรู้ทำมารมด้วยใจสอง โพชเนมัตตัญยุตตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อย 3. ชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักบุญกิริยาวัตถุสามอย่างสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกบุญกิริยาวัตถุโดยย่อมีสมอย่าง 1. นทานไม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานสศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสามั ญ, ญลักษณะสมอย่าง ลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงเรียกสามั ญ, ญลักษณะไตรลักษณ์ก็เรียกแจกเป็นสามอย่างหนึ่งอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขตาความเป็นทุกข์สอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตน